คู่มือชีวิตหมวดที่4ชีวิตคู่จากหนังสือคู่สร้างคู่สมชีวิตคู่ในอุดมคติสมเด็จพระพุทธโฆษ า, าจารย์ปอประยุตโตจัดทาโดยคุณพ่อแช่มชำนานแป้นและครอบครัวนิมมานรเทพหลักธรรม4ประการซึ่งมีความสำคัญในการครองเรือน โดยสรุปก็คือสัจจ์ความจริงเป็นรากฐานให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนประการที่สองธรรมะการฝึกฝนปรับปรุงตนเป็นเครื่องนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าในชีวิตและการงานประการที่สาขันติความอดทนเป็นเครื่องช่วยให้ความเจริญก้าวหน้านั้นเป็นไปได้สำเร็จ และมีความเข้มแข็งมีพลังที่จะช่วยเสริมและประการที่สี่จาคะความเสียสละมีน้ำใจเป็นเครื่องบำรุงหล่อเลี้ยงมนุษย์ช่วยให้เกิดความชุ่มชำสดชื่นเรื่องโอวาทวันมงคลสมรสวันนี้เป็นวันมงคลสมรส คุณพ่อคุณแม่ท่านผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือและท่านผู้ปรารถนาดีทั้งหลายได้พร้อมใจกันจัดพิธีนี้ขึ้นทั้งนี้ก็โดยหวังให้เกิดความเป็นสืริฤมมงคลแก่ชีวิตของคู่บ่าวสาวทั้งสองเริ่มต้นดีมงคลก็เกิดขึ้นทันทีประการแรกก็ได้ให้ท่านทั้งสองมาอยู่ใกล้ชิดพระรัตนตรยัยซึ่งในพิธีนี้ ได้มีพระพุทธรูปเป็นตัวแทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ซึ่งเป็นคาสอนของพระพุทธเจ้ากล่าวคือพระธรรมและองค์พระภิกษุซึ่งมาเจริญพระพุทธมนต์ในที่นี้ก็เป็นตัวแทนของพระสงฆ์นับว่ามีตัวแทนพระรัตนตรัยมาพร้อมมูลในที่นี้พระรัตนตรัยนั้นเป็นที่เคารพบูชาสูงสุดของพุทธศาสนกชน แม้ในพิธีอันสำคัญนี้เราก็มาอยู่กันในที่พร้อมหน้าของพระรัตนตรัยเพื่อเป็นเครื่องบำรุงน้ําใจให้มีจิตใจผ่องใสเป็นการยกระดับจิตใจไว้ในที่สูงจึงให้เกิดความเป็นสิริมงคลและเป็นนิมิต ท, ที่ดีคือให้เป็นการเริ่มต้นที่ดีงามในเวลาเดียวกันนั้นก็เป็นการให้ความสำคัญแก่เหตุการณ์ในชีวิตของบุคคลทั้งสอง แต่ที่เป็นพื้นฐานสำคัญก็คือความรักความปรารถนาดีความมีเมตตาธรรมของท่านผู้ใหญ่และญาติมิตรทั้งหลายนั้นซึ่งช่วยบันดาลให้จัดพิธีนี้ขึ้นและมาร่วมในพิธีนี้เพื่ออวยใยให้พรประการสำคัญในอันดับต่อไปที่จะให้เกิดความเป็นสิริมงคลพร้อมกันก็คือทางฝ่ายของคู่บ่าวสาวนั่นเองที่จะเปิดใจรับเอาความเป็นสิริมงคล และความปรารถนาดีของท่านผู้ใหญ่ที่นับถือถ้าหากได้พร้อมกันทุกฝ่ายอย่างนี้คือมีพระรัตนตรัยเป็นประธานมีความรักความปรารถนาดีและเมตตาธรรมของผู้ใหญ่ที่มาร่วมงานนี้และมีความพร้อมใจความเปิดใจรับความผ่องใสในกายและใจของคู่บ่าวสาวแล้วก็จะเป็นสิริมงคลโดยสมบูรณ์เพราะความเป็นสิริมงคลนี้ต้องเริ่มต้นที่จิตใจก่อน ใจิตใจที่เบิกบานผ่องใสนั่นเองจะแสดงออกมาในชีวิตและกิจการงานในเมื่อโอกาสนี้เป็นโอกาสของความเป็นสิริมงคลอาตมาก็จะข อ, อกล่าวเรื่องมงคลสักเล็กน้อยเพื่อเสริมความเป็นมงคลนี้ให้ยิ่งขึ้นไปมงคลแท้ไม่จบแค่พิธี ถ้ากล่าวตามหลักพระศาสนาแล้วพูดได้ว่ามงคล น, นั้นจัดเป็นสองอย่างอย่างแรกเรียกว่าพิธีมงคลหรือมงคลพิธีได้แก่การจัดเตรียมพิธีการต่างๆดังที่ปรากฏขึ้นที่นี้เรียกว่าพิธีมงคลส่วนอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าธรรมมงคลมงคลคือธรรมะหรือตัวธรรมะนั่นเองทาให้เกิดสิริมงคล อย่างแรกคือพิธีมงคลมีความหมายว่าในเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็จัดเป็นพิธีขึ้นนอกจากจะให้ความสำคัญแก่เหตุการณ์นั้นแล้วก็เป็นโอกาสให้คนที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดทั้งหลายจะได้มาร่วมกันพร้อมกันมีความสามัคคีในพิธีนั้นและจะได้อวยชัยให้พรตลอดจนมีความสนุกสนานรื่นเริงต่าง อีกทั้งจะได้เป็นที่ระลึกในการสืบไปภายหน้าเมื่อวันเวลาได้ล่วงไปแล้ววันหลังย้อนมาหวนรำลึกถึงจะได้เป็นเครื่องเตือนใจที่ดีงามทั้งในด้านที่เป็นความคิดและด้านที่เป็นความสัมพันธ์ต่อกันซึ่งเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจของบุคคลดังนั้นมงคลพิธีจึงเป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่งแต่ว่ามงคลพิธีอย่างเดียวยังไม่พอ ความเป็นสิริมงคลจะพร้อมสมบูรณ์ต่อเมื่อมีมงคลที่สองด้วยคือธรรมะมงคลมงคลคือธรรมะธรรมะคืออะไรธรรมะคือความจริงความถูกต้องดีงามความดีงามที่มีในบนัดนี้อย่างที่กล่าวแล้วก็คือความมีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลและนึกถึงสิ่งที่ดีงามทำจิตใจของเราให้ผ่องใส พร้อมทั้งความมีเมตตาธรรมของท่านที่มาร่วมพิธีดังนั้นในเวลาใดความดีงามมีอยู่พร้อมในจิตใจของแต่ละคนแล้วก็เกิดเป็นธรรมมงคลขึ้นเสริมให้มงคลพิธีเป็นพิธีที่สมบูรณ์พร้อมทุกอย่างเป็นมงคลตลอดชีวิตเมื่อกรองเรือนด้วยหลักธรรมสี่ อย่างไรก็ตามควรจะได้กล่าวถึงธรรมะที่เหมาะเฉพาะในโอกาสแห่งพิธีนั้นๆไว้ด้วยเพราะธรรมะคือคุณธรรมความดีงามเหล่านี้เป็นธรรมะมงคลคู่ชีวิตที่มีไว้สำหรับประพฤติปฏิบัติกันตลอดเรื่อยไปและทำให้เกิดความเป็นสิ ร, ริมงคลระยะยาวตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นอาตมาจึงจะได้กล่าวถึงธรรมะที่เป็นหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าบางประการ ซึ่งจะนําให้เกิดคุณงามความดีนั้นๆให้เหมาะสมกับโอกาสนี้จะขอแสดงเป็นหมวดหมู่ธรรมะหมวดที่หนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เหมาะกับโอกาสพิธีนี้คือคาระวะศรธรรมสี่ประการคาระวะศรธรรมแปลว่าธรรมหรือธรรมะสําหรับการครองเรือนมีอยู่สี่ข้อด้วยกันคือหนึ่งสัจจะ แปลว่าความจริง 2. ธรรมะแปลว่าการฝึกฝนปรับปรุงตน 3. คันติความอดทน 4. จา่าคาความเสียสละความเอื้อเฟื้อความมีน้ำใจจะขอกล่าวถึงธรรมะสี่ประการนี้โดยสังเขตประการที่หนึ่งสัจจะความจริง อาจแบ่งแยกได้สามด้านความจริงขั้นที่หนึ่งคือความจริงใจซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดคนที่จะมาเกี่ยวข้องกันต้องมีรากฐานจากความจริงใจเป็นสำคัญที่สุดและเป็นรากฐานที่มั่นคงของความสัมพันธ์ที่ดีงามความจริงใจแสดงออกเป็นความซื่อสัตย์ต่อกันจากนั้นก็จริงวาจาคือพูดจริง ทันที่สจริงการกระทำํำคือการทําจริงตามที่ใจคิดไว้ตามที่วาจาพูดไว้ตลอดจนกระทั่งว่าการดําเนินชีวิตประกอบกิจกรรมต่างๆก็ตั้งใจทําจริงดังที่ตั้งความมุ่งมา่ปรารถนาไว้แต่ทั้งหมดนี้ก็มีความจริงใจนั่นเองเป็นรากฐานความจริงใจเป็นสิ่งสําคัญที่สุดที่จะทําให้ความสัมพันธ์มั่นคงยั่งยืน คารวาสธรรมสี่ประการประการที่สองธรรมะแปลว่าความฝึกฝนปรับปรุงตนธรรมะนี้เป็นข้อสำคัญในการที่จะให้เกิดความเจริญก้าวหน้าประการแรกที่สุดที่จะเห็นได้ง่ายในความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันก็คือบุคคลที่มาอยู่ร่วมสัมพันธ์กันนั้นย่อมมีพื้นเพต่างๆกัน มีอุปนิสัยใจคอและสังสมประสบการณ์มาไม่เหมือนกันแต่เมื่อมาอยู่ร่วมกันแล้วก็จาเป็นที่จะต้องปรับตัวเข้าหากันในเมื่อมีพื้นเพต่างกันสังสมมาคนละอย่างก็อาจมีการแสดงออกที่ขัดแย้งกันหรือไม่สอดคล้องกันได้บ้างการที่จะทำให้เกิดความราบรื่นเป็นไปด้วยดีก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนเข้าหากันรู้จักที่จะขมใจไว เรารู้จักที่จะสังเกตใช้สติปัญญาพิจารณาสิ่งที่ผิดแปลกไปจากความคิดนึกตามความหวังความปรารถนาของตนเมื่อไม่วูวามข่มใจไว้ก่อนและใช้สติปัญญาพิจารณาก็หาทางที่จะปรับตัวเข้าหากันด้วยดีด้วยวิธีที่เป็นความสงบและเป็นทางที่จะรักษาน้ําใจกันไว้ดีมีความรองดองสามัคคีอันนี้ก็เป็นการปรับตัวอย่างหนึ่ง นอกจากนั้นในการอยู่ร่วมกับบุคคลภายนอกหรือในกิจการงานและสิ่งแวดล้อมทั้งหลายเราก็ต้องรู้จักปรับตัวเข้ากับบุคคลการงานและสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นและรู้จักปรับปรุงฝึกฝนตัวให้ดียิ่งขึ้นด้วยการควนขวายหาความรู้ให้เท่าทันสิ่งแปลกใหม่อยู่เสมอเป็นต้นชีวิตจึงจะเจริญก้าวหน้าได้ธรรมะนี้ต้องมีปัญญาเป็นแกนนาสาคัญ เราต้องรู้จักคิดพิจารณาและมีความรู้ความเข้าใจจึงจะปรับตัวและฝึกฝนปรับปรุงตนได้คาราวาสธรรมสี่ประการประการที่สคือขันติความอดทนความอดทนเป็นเรื่องของพลังความเข้มแข็งความทนทาน คนเมื่ออยู่ร่วมกันท่านว่าเหมือนลิ้นกับฟันย่อมจะมีโอกาสที่กระทบกระทั่งกันจึงต้องมีความหนักแน่นความเข้มแข็งในใจที่จะอดทนไว้ก่อนเรียกว่าอดทนต่อสิ่งกระทบใจนอกจากนั้นก็อดทนต่อความเจ็บปวดเมื่อยล้าทางกายและอดทนต่อความลำบากตรากตราในการทำงานเป็นต้นซึ่งจะทาให้สามารถฝ่าฟันอุปสรรคลุล่วงไปได้ ถ้าหากว่าบุคคลสองคนหรือหลายคนมาอยู่ร่วมกันแล้วเอาความเข้มแข็งที่มีอยู่ของแต่ละคนมารวมกันเข้าก็จะเพิ่มกำลังความเข้มแข็งให้มากขึ้นจะสามารถร่วมฝ่าฟันอุปสรรคและเพียรสร้างสรรรุดหน้าไปสู่ความสําเร็จอันนี้เป็นเรื่องของขันติความอดทนที่จะช่วยเสริมให้มีความก้าวหน้าจเจริญมั่นคงและพร่างพร้อมด้วยความสาเร็จ ชาละว่าทธรรมสี่ประการประการที่สี่จา่าคะแปลว่าความเสียสละเริ่มแต่ความมีน้ำใจคือความพร้อมที่จะเสียสละความสุขส่วนตัวให้แก่ผู้อื่นโดยเฉพาะผู้อยู่ร่วมกันก็จะต้องมีความเสียสละต่อกันเช่นฝ่ายหนึ่งไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องเสียสละความสุขของตนเองเพื่อช่วยรักษาพยาบาล อย่างน้อยก็มีน้ำใจที่จะระลึกถึงเมื่อจะทำอะไรก็ตามก็คํหนึ่งถึงความสุขของอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อฝ่ายหนึ่งคํหนึ่งถึงความสุขความเจริญงอกงามของอีกฝ่ายหนึ่งอย่างนี้จึงเรียกว่ามีจาค้จาค้าเนี่ยพึงเผื่อแผ่ไปยังญาติมิตรบิดามารดาหรือผู้อยู่ใกล้ชิด ต, ตลอดจนกระทั่งถึงเพื่อนมนุษย์โดยทั่วไป ถ้าหากว่ามีกำลังพอก็ใช้ก็สละทรัพย์สินสิ่งที่ตนมีอยู่นี้ในการอนุเคราะห์สงเคราะห์ผู้อื่นจาค้านี้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจของการละกันและของคนทั้งหลายที่แวดล้อมอยู่ไว้ได้นี่คือหลักธรรมสประการซึ่งมีความสำคัญในการครองเรือนโดยสรุปก็คือสัจจะความจริงเป็นรากฐานให้เกิดความมั่นคงยั่งยืน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 ช่วยให้เกิดความชุ่มช่ำสดชื่นบำรุงต้นไม้แห่งชีวิตสมรสให้แข็งแรงงอกงามธรรมะสี่ประการนี้เป็นองค์ประกอบที่จำเป็นในชีวิตเหมือนกับต้นไม้จะเจริญงอกงามต้องมีรากฐานที่มั่นคงคือสัจจะ มีความเจริญเติบโตคือธรมะมีความแข็งแรงของกิ่งก้านสาขาตลอดจนลำต้นนั่นคือคันติซึ่งจะทนต่อดินฟ้าอากาศทนต่อสัตว์ทั้งหลายที่จะมาเบียดเบียนและมีเครื่องบำรุงหล่อเลี้ยงเช่นน้ำและอากาศเป็นต้นซึ่งช่วยให้เกิดความชุ่มชื่นสดชื่นกล่าวคือจากะความมีน้ำใจ เมื่อต้นไม้นั้นมีทุนในตัวเช่นมีน้ำมีอาหารหล่อเลี้ยงดีมีกิ่งก้านสาขาแผ่ออกไปต้นไม้นั้นก็กลับให้ความร่มเย็นแก่พื้นดินและแก่พืชสัตว์ที่มาอาศัยร่มเงาตลอดจนช่วยรักษาน้ำในพื้นดินนี้ไว้ด้วยเช่นเดียวกับคนเรานั้นเม่ได้สร้างเนื้อสร้างตัวโดยกำลังและเครื่องหล่อเลี้ยงขึ้นแล้วก็ไม่ได้มีกำลังแต่เพียงตัวเองเท่านั้น แต่กลับเอากำลังและสิ่งบำรุงเลี้ยงนั้นออกมาช่วยเหลือส่งเสริมผู้อื่นและสิ่งนี้ก็กลับมาเป็นผลดีกับตัวเองด้วยอำนาจของจาระนั้นธรรมะสี่ประการนี้หละจะเป็นเครื่องทมให้ชีวิตประสบความสำเร็จพระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้สำหรับค้ารือหัดหรือผู้ครองเรือนทั่วไปให้ดำเนินชีวิตตามหลักธรรมสี่ประการนี้จึงเรียกว่า ่ารวาสธรรมเมื่อดำเนินชีวิตได้ดังนี้ก็นับว่าได้ประสบสิริมงคลอย่างแท้จริงธรรมะดังกล่าวมานี้จึงกล่าวได้ว่าเป็นธรรมะมงคลเพราะเป็นหลักความดีงามที่จะทำให้เกิดความสุขความเจริญก้าวหน้าในโอกาสนี้ญาติมิตรท่านผู้ใหญ่มีคุณพ่อคุณแม่เป็นต้นตลอดจนท่านผู้หวังดีที่เคารพนับถือทั้งหลาย ได้มาประชุมพร้อมกันในที่นี้ต่างก็ตั้งใจมาเป็นอันเดียวกันคือมาให้ความสำคัญแก่เหตุการณ์ในชีวิตของบุคคลทั้งสองตั้งใจมาอวยชัยให้พรเพื่อความสุขความเจริญแก่ทั้งสองฉะนั้นก็ขอให้ทำจิตใจของตนให้เบิกบานแจม่มใสเปิดใจออกรับความรักความปรารถนาดีเหล่านี้เพื่อความเป็นสิริมงคลทั้งในบัดนี้ และตั้งใจที่จะนำเอาหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดเป็นธรรมมงคลในระยะยาวอันยั่งยืนต่อไปในโอกาสนี้พระสงฆ์จะได้เจริญชัยะมงคลคาถาและบัดนี้ทุกคนก็อยู่ในที่พร้อมหน้าพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จึงขออารัตนาคุณพระสีรัตนตรัย อวยชัยให้พรคู่บ่าวสาวจงประสบจตุรพิทพรชัยร่างพร้อมด้วยอายุวันณนะสุขะพละพร้อมทั้งปฏิพานธนสารสมบัติทุกประการจงมีความเจริญก้าวหน้าในการดำเนินชีวิตและในการประกอบกิจการงานได้สำเร็จสำลิศที่ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาโดยชอบธรรมและดนให้เกิดความเป็นสิริมงคลในทางธรรมอันเป็นมงคลที่ตั้งอยู่ในตนเอง และอำนวยผลแก่ญาติมิตรตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องโดยทั่วไปตลอดกาลนานเทิน